เรื่องพระสารีบุตรเถระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารโกพระสารีบุตรเทระได้ยินว่าพระเทระนั้นมีภิกษุห้า้อยเป็นบริวารเข้าจําพรรษาอยู่วิหารแห่งหนึ่งสาธุชนทั้งหลายเห็นพระเทระและภิกษุทั้งหลายแล้วตรัเตรียมผ้าจํานำพรรษาไว้เป็นอันมาก พระเทระประวรณาแล้วเมื่ อ, อยังไม่ออกพรรษาพระเทระนั้นมีกิจต้องไปสู่สำนักพระศาสดาจึงสั่งกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่าเมื่อผ้าจำ น, ำพนาพรรษาอันชนทั้งหลายนำมาแล้วเพื่อภิกษุสามเณรทั้งหลายท่านรับแล้วส่งไปด้วยหรือเก็บไว้แล้วพึงส่งข่าวไปบอกด้วยครั้นสั่งอย่างนั้นแล้วก็ได้ไปสู่สานักพระศสดา ภิกษุทั้งหลายสนทนากันกล่าวหาว่าพระสาวรีบุตรเทระนั้นน่าจะยังมีตัณหาอยู่ด้วยเหตุแห่งการห่วงผ้าจำนำพรรษานั้นพระสัสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตัณหายอมไม่มีแกบุตรของเราดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าความหวังของผู้ใดไม่มีในโลกนี้และโลกหน้า เราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความหวังรากิเลสได้แล้วว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีเสวดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ